คุณทวีสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัมม น, น, นานะคะก็มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วค่ะเช้าตรู่วันนี้ดิฉันสัสนนมมนาคุณพงดำเนินรายการทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีประชาสัมพันธ์ว่ายามเช้ายามสายยามบ่ายยามค่ำยามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสามารถพบกับข่าวของช่องสามได้ตลอดเวลาส่วนรายการของเราเราพบกันแค่ ตอนเช้าของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ตามที น, น, นะคะแต่สาระของรายการที่นำเสนอท่านใช้ได้ทุกเวลาทุกนาทีเพราะว่าเป็นคำสอนของพระาศาสดาที่อยากจะจำหลักเข้าไปในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนค่ะมีพระอาจารย์ภับุญอย่งพี่ปุณโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโศกมาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราเร า, เราไปนมสการท่านกันเลยค่ะนมสการกันทันคะเชิญพาน วันที่สามสร็นี่คอสเสร็จหรือยังคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วคอสของเดือนตุลาคมนี้เสร็จไปเมื่อวันที่ยี่สิหกที่ผ่านมาค่ะก็จะรอไปถึงคอสเดือนหน้านี่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นวันที่แปดถึงสิบหกพฤศจิกายนก็กลางกลางเดือนรับเต็มแล้วหรือยังคะท่านคะตอนนี้ยังไม่เต็มยังสามารถรับได้อยู่ยังไม่เต็มก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะที่ w p d h.s.org ใช่ติดต่อไปที่นั่นสะดวกที่สุดค่ะเราก็มาถึงคำถามนะคะวันนี้ตั้งใจจะกลับเรียนถามถึงเรื่องการระลึกชาติค่ะท่านค่ะคืออยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติไว้บ้างหรือไม่และถ้า ท่านตรัสไว้ในท่านสอนไว้อย่างไรคะท่านคะเรื่องการระลึกชาติเนี่ยเป็นสามัญญผลคุณโยมเตียวเป็นสามัญญผลสามัญญผลนี่คือหมายถึงว่าเป็นผลที่เกิดจากการประพฤติพรมจรรย์แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติพรมจรรย์การระลึกชาติได้นี้จะเป็นหนึ่งในหลายๆผลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องของปัญญา่แสมมุติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งออกบวชจากเรื่องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเรือน ผลที่เขาจะได้รับเนี่ยเช่นเรื่องของสมาธินะเขาจะมีสมาธิมีชานแนลแน่มีอารมณ์เป็นนันเดียวผลข้างเคียงก็จะมีผิวพรรณผุดพองอะไรอย่างนี้นะผลอย่างอื่นเช่นมีศีลมีการสมรวมมีการวาจาใจสงบระงับอันนี้คือเป็นสามัญผลที่จะเกิดขึ้นได้แล้วผลหนึ่งในนี้นะก็จะมีการที่เรียกว่าสามารถระลึกถึงขันที่เคยผ่านมาได้เป็นประการต่างๆที่คุณโยมติ๋วพูดก็คือการระลึกชานนแนลแหละนะ พระพุทโ่งเรียกว่าสามารถระลึกถึงขันแด้ยังไงนะคะท่านคะสามารถระลึกถึงขันที่มีมาแล้วในการก่อนได้ประการต่างๆนีคือบริชาเปรียบเ่อย่างนี้ว่าเหมือนกับเราออกจากเรือนหลังนี้แล้วก็ไปเรือนหลังนั้นออกเจอเรือนหลังนั้นแล้วก็มาเรือนหลังนี้แล้วตอนเนี้ยอยู่ตรงนี้ในี่นี้ก็คือระลึกได้ว่าเมื่อก่อนเราเกิดเป็นอันนี้ เกิดเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้กินอาหารอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความทุกข์เท่านี้มีอายุเท่านี้ตายลงตอนนี้จากภพนี้นี้ไปเกิดเป็นภพนั้นๆอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสรุป ก, ก็คือว่าพระพุทธงูปตัดไว้อย่างแน่นอนมีมีมีมีแล้วก็ตรัสไว้ในเรื่องของการปฏิบัติใช่เป็นผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ใช้คําว่าเป็นสามัญญโพนถูกต้องสามัญญโพนนั <ๆ S 2> ่นเองสามัญญโพน <ๆ Alle S 2> <vit> นี่แปลว่า ธรรมดาล่ะมันเกิดเป็นธรรมดาถูกไหมคะเออหมายคือว่าอันนี้มาจากคําว่าสมณนะเนะี่ยคือเป็นผลของความเป็นสมณนะ อ, อ๋อมาจากคำว่าสมณะสามัญญผลมาจากคําว่าสมณะอ่าถูกต้องถูกต้องสมณะแล้วก็บวกกับอ่ายะอื่นๆหลายๆอย่างแล้วก็ผลเเลยเป็นสามัญญผลมันก็จะมีคนที่ตีความกันว่า ม, มาจากสามัญยะเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นได้เลยเป็นพื้นฐานของความเป็นสมณะ อันนี้ก็มีตีความเป็นอย่างนั้นก็ได้อ๋อค่ะก็ถ้าสมมติท่านแม่อธิบายเนี่ยเรียนเข้าใจว่าคนไทยที่เรียนภาษาไทยมาพร้อมกันพื้นๆจะรู้จักคาว่าสามัญวิสามัญใช่ไหมคะสามัญก็คือเรื่องธรรมดาวิสามัญ น, นี่ก็คือไม่ธรรมดาพิเศษไม่ปกตินะคะอ่าก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งละว่าในที่นี้มีรากมาจากคำว่าสมณะถุกแปลว่าความสงบ แต่ว่าสมณะในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชไม่จําเป็นช้าปฏิบัติตนเป็นผู้สงบแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคันใช้คําว่าแน่นอนนี้ได้ไหมคะแน่นอนเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่ไม่เกิดก็ได้อย่างนั้นสิคะก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําแล้วไม่สุดทําแล้วไม่ได้ไม่เต็มก็จะไม่เกิดผลนี้ขึ้นนะอ งั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราทํำเราก็ไม่เห็นเห็นเราทําอะไรผิดอยู่หรือเปล่าอ่ามันก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่แน่นอนบรรวิชาเคยเปรียบเทียบคุณโยมติวถ้าอ่าสมมุติว่ามีคนเขาเอาไพ่สําหรับหนึ่งมาให้คุณโยมติวเลือกใช่ไหม เ, เขาก็สลับตรงนั้นสลับตรงนี้แล้วก็ถามสามสี่คำปุ๊บเขาหยิบไพ่เบอร์เดียวกันไป๊ห้กับที่คุณโยมติวเลือกไว้เลยเนี่ยโห้ยคนนี้ต้องรู้ใจเราแน่เลย เราจะฟันธงอย่างนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะว่านั้นเป็นมายากลอันนั้นเป็นมายากลคือที่อาจารย์มังพูดนีหมายความว่าบางทีไอ้ความสามารถตรงนี้พระเจ้าเคยบอกว่าคนที่เขามีวิชาบางอย่างที่เป็นลักษณะมายากลเนี่ยนะเขาอาจจะสามารถที่จะาทายว่าเราเคยไปเกิดตรงนั้นตรงนี้มาอาจจะพูดได้อยู่แต่นั่นไม่ใช่เป็นความสามารถที่เกิดจากเรื่องของสมาธิ ค่ะนะคือคนที่จะรู้อดีตหรือรู้อนาคตอย่างที่เรียกว่าระลึกชาติได้เนี่ยอันนี้ต้องเป็นผลของสมาธินะไม่ใช่ผลของแบบการเล่นมายากลในลักษณะนั้นค่ ะ, ะ, ะทีนี้ถ้าเกิดจะตั้งคำถามต่อไปนะคะที่ฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสรู้อดีตเชกเช่นกับคำที่พูดว่าระลึกชาติได้นะคะอยาบาได้ก็ดีเราเราท่านๆ่านเนี่ย มีโอกาสประลึกชาติกันได้ถูกไหมคะถ้าทําสมาธิอ่าถูกต้องถูกต้องเนะี่ยก็ต้องอยู่ที่เหตุและผลนะว่าเอ๊ะทำไมบางคนไม่ได้ทําไมบางคนได้แล้วบางคนได้ก็ได้แบบไม่ชัดนะมันก็อยู่ที่ว่าสมาธิคุณเนี่ยมันลึกซึ้งมันดีขนาดไหนศีลคุณดีขนาดไหนนะก็เป็นผลทําให้สมาธิดีขนาดไหนสมาธิดีขนาดไหนก็จะทาให้อ่าวิชาในความรู้ตรงเนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีขนาดไหนค่ะ ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดเหตุปัจจัยต่างๆต้องว่าอย่างนี้ใช่ไหทีนี้ถ้าอาจารย์คะการระลึกชาติเนะะี่ยค่ะอยากทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสไหมคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรู้ถึงซึ่งสัจธรรมของพระพุทธองค์หรือไม่ค่ ะ, ะการจะรู้ซึ่งสัจธรรมก็คือเรื่องอริยสัจสี่ในการรู้เรื่องอริยสัจีคือทุกสมุทัยนิโรธมรร แล้วก็ผลของการที่เรามารู้อริยสัจสีคือตัณหาจะละไปได้นะตัณหาะละไปได้เนี่ยก็เป็นผลของการปฏิบัติอย่างหนึ่งก็เป็นสามัญญผลอย่างหนึ่งนะนะในสามัญผลสมมติมีสามัญผลสมกหมดยี่สอย่างในะไอการที่เราสามารถละตัณหาได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน20อย่างตัวนี้อ๋อ่ะทีนี้ไอเจ้าความรู้เรื่องอดีตชาตินะก็เป็นหนึ่งใน20อย่างนี้แต่ไม่ใช่อย่างเดียวกัน เป็นเป็นคนละอย่าง ก, ก, กันกับที่มาละตันหาได้นะคนที่จะรู้อริยสัจได้ก็คือจะรู้สมมุติว่าอันนี้เป็นข้อที่20่สิบละกันนะ ข, ข้อที่20ของการที่จะบรรลนะุซึ่งละหมดสิ้นซึ่งตันหานะเป็นข้อที่20่สแต่การมาระลึกชาติได้เนี่ยเป็นข้อที่17อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสิบเจกับ20เป็นคนละอันกันแต่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องผ่าน17มาก่อนจนถึง20ก็ไดนะ้เพราะว่าข้อ20เนี่ยก็เราก็สามารถรู้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่านข้อสิบเจ็ดมาก่อนค่ะคำตอบในที่นี้ก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องระลึกชาติได้ก็ได้แลเราถึงจะมารู้อริยสัจได้ไม่จําเป็นโอค่ะงั้นสําหรับผู้ที่คิดว่าต้องการที่จะรู้อริยสัจสี่คำว่ารู้อริยสัจสี่ในที่นี้ที่ว่าเข้าถึงสัจธรรมเนี่ยนะคะหมายถึงว่าบารรลุธรรมด้วยหรือเปล่าคะถูกตอ้องถูกตอ้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยะอ๋อถ้าถ้าเข้าถึงปุ๊บนี่ไม่ได้อยู่แค่เพียงรู้เท่านั้นละล่ะ แต่ในความหมายคือหมายถึงว่าต้องแทงตลอดไปถึงจนจบเลยใช่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ทีนี้บางคนอาจจะมีความเข้าใจอย่างนั้นไงคุณโยมติวเพราะว่าลําดับขั้นการบรรลุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นคะน่ะคือลําดับขั้นการบรรลุของ พ, พุชาที่เราได้ฟังเอ่อมาก่อนก่อนพุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะค่คือว่าเอ่อวิอ่าในยามที่หนึ่งนะมีชานนี้านนี้เกิดขึ้นยามที่สองมีรู้อดีทรู้อนาคตยอย่างนี้จนถึงยามสุดท้ายเนี่ย ละซึ่งอสวาได้อย่างเงี้ยนะเขื่ อ, อ น, นี้เป็นเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้มากมายหลายอย่างเป็นตามลำดับขั้นนี้ไปอันนี้คือวิสัยของพุทธเจ้าเนี่ยเล่าถึงอาการที่ตัวพระองค์บรรลุเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ ะ, ะดิฉันก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านถ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ยินเกี่ยวกับการระลึกชาติใช่ซึ่งส่วนใหญ่ที่ดิฉันจําได้เนี่ยมักจะเป็น เ, เกี่ยวกับชาโดกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเวสันดรชาดกเนี่ยก็เหมือนกับเข้าใจว่านะคะเป็นพระพุทธองค์เนี่ยระลึกชาติได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพระเวสันดร อ, อ, อ, อย่างนั้นนะคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้พอมาเป็นสมณะโคโดมตอนอเป็นเจ้าชายสุสทธะละค่ะพระชาติสุดท้ายในระหว่างที่ปฏิบัติแสวงหาโมกสธรรมที่จะบรรลุสัจธรรมเนี่ยนะคะมีการระลึกชาติเกิดขึ้นด้วยไหมคะใช่ใช่ตอนนั้น คือตั้งแต่ก่อนที่จะบรรลุเป็นบรรลุสัมมาสัมพชัญาะ น, นะนะโพธิสัตว์มาต้อใจกันนี้เป็นโพธิสัตว์อยู่โ <Okay. S 1> พธิสัตว์เนี่ยก็สามารถระลึกชาติได้อยู่แล้วแต่ไอความพิเศษของการระลึกชาติได้ในยามแรกของราตรีเนี่ยหรือยามกลางของราตรีเนี่ยนะไม่แน่ <Okay. S 1> ใจแต่ก็คือว่าความสามารถตรงนี้ที่เราใช้ศัพท์ที่เรียกว่าบุพเพนิมาร า, านุสติญาเนี่ย จะมีความพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือจะสามารถระลึกย้อนกลับไปได้ไม่มีจํากัดไม่มีจํากัดแต่แต่ก่อนหน้านั้นโพธิสัตว์อาจจะระลึกได้10ชาติบ้าง20บ้าบชาติบ้างแสนชาติบ้างหมื่นชาติบ้างอันนี้เป็นไปได้แต่พอถึงวันนั้ น, นบุปเปญยวาสารุสติญาณในลักษณะของสมมาสมุติเนี่ยคือระลึกย้อนกลับไปได้ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นความละเอียดรอบคอบมันจะไม่เท่ากัน <c oughs> อย่างสาวกบางองค์บางท่าน อาจจะระลึกชาติได้1 0ชาติแค่นี้นนแล้วแต่ละชาติที่ระลึกได้ไม่รู้รายละเอียดมากเท่าไหร่จะรู้แค่ว่าคุณไปเกิดเป็นอันนี้รู้แค่เหตุการณ์บางวันไม่ได้รู้ตลอดสั้งร้อยปีตรงนั้นก็อาจจะเป็นได้ค่ะนะคะงั้นถ้าตรงนี้ดิฉันจ ะ, อะขอมดเอาไว้ในส่วนที่ว่าสำหรับการระลึกชาติที่พระพุทธองค์ได้ประสบเองนั้น ในห่วงของการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษมากระลึกได้มากมายไปหมดแต่ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถมากขนาดนี้ใช่ดังนั้นบุคคลอื่นๆที่บอกว่าทำสมาธิแล้วได้สามัญญผลที่ในข้อของการระลึกชาติก็จึงระลึกได้แต่ก็อาจจะ อย่างที่ท่านไปบุญได้พูดใช่ไหมคะว่ารายละเอียดมันจะต่างกันค่ะไม่กี่ชาติทีนี้มาถึงอยากจะถามนะคะว่าดิฉันเข้าใจว่าการรู้ชาติมันน่าตื่นเต้นมากนะครท่านค่ะเราได้เห็นในสิ่งที่อ๋อดิฉันเชื่พูดถึงบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนะบางคนชอบอ่านเรื่องประวัติศาสตร์ก็คงจะเป็นไปได้ก็คงจะตื่นเต้นค่ะหมายถึงว่าบางคนกําลังคิดเหมือนกับว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่ากว่านจะมาเป็นเราในวันนี้เนี่ย พระพุเธเจ้าตรัสสอนว่าเกิดมาเล่านับครั้งไว้ท้วนก็อยากรู้เหมือนกันนะโอเคเราไม่ไม่ไม่ต่างอะไรกับเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์คุณโยมติ๋วนะคะเช่นคุณอ่านประวัติศาสตร์ประเทศไทยมางดต่ไหนสุโขทัยยุทธยากรุนโดนบุรีกรุงเทพมานครอ่านาไปอ่านเข้าไปในประวัติศาสตร์ประเทศอะไรคุณอยากรู้คุณอ่านเข้าไปหรือว่าประวัติศาสตร์ส่วนไหนคุณก็อ่านไปสิเหมือนกันไม่ต่างกันเหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหน เดีวเหมือนกันไม่ต่างกันตรงที่ว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วมันจึงเสื่อมไปค่ะกว่าจะมาเป็นกรุงเทพมหานครก็ผ่านจากตรงนั้นมาตรงนั้นก็เสื่อมไปก่อนหน้านั้นก็มีอันอื่นมาก่อนก็นั้นก็เสื่อมไปเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้เราจะเห็นชัดเจนค่ะคือเหมือนกันแต่ว่าต่างกันในดิฉันตอบเองได้ไหมคะในดิฉันว่าความต่างกันก็คือว่าอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของเรื่องอื่นอืมแต่ ถ้ามันเป็นประวัติศาสตร์ขอ ง, ของตัวเราเองอ่าจะน่าสนใจกว่าเยอะใชก่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคือถ้าเราอ่านประวัติอตาตชีวประวัติของบุคคลใช่ไหมเราเขียนเองเราอ่านเองอ่ชะชีวิตฉันเด็กเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าก่อนหน้านั้นชาตินั้นมันเป็นอะไระเราควรจะมาทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเอทําไมเราระลึกชาติไม่ได้แบบพัวเลยทําไมระลึกไม่ได้เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะเอะทําไมอาทิตย์ที่แล้วยังระลึกได้นะ ใช่ไหมเราจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วไปไหนมาเราพูดกับใครกินอะไรบ้างอาจจะลืมบ้างแต่แต่ก็ยังพอจําได้ะสิบปีที่แล้วเราก็ยังจําได้นะว่ า, ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญอยนั้นสองสาเหตุการณ์ใช่ไหมแต่ทำไมาชาติที่แล้วเราจําไม่ได้นั่นน่ะสิค่ ะ, ะนี่เพราะว่าความที่พบมันปกปิดเอาไว้ความที่พบเนี่ยมันปกปิดเอาไว้ทําให้เราเราจําไม่ได้ทีนี้คนที่จะจําได้ก็ต้องผ่านคือเลยขัน้นเลยขั้นของพบ ไนะเพราะนั้นสมาธิเขาจะต้องมีความสามารถเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธิมันไม่มีภาษาที่เขาใช้คือ time and space เอเวลาหรือว่าช่องว่างมันไม่มีเพราะว่าพบเนี่ยเป็นเรื่องของ time and space ท่านคะถ้าอย่างนั้นในความรู้ของการทำสมาธิที่พระพุธองตรัสสอนไว้นะคะจะต้องทำไปถึงขนาดไหนคะถึงจะทะลุทะลวง time and space ของท่านไปได้ตรงนี้มาตรฐานที่พระุทธเจ้า ใช้ในการวัดก็คือชา้นที่สี่ชันที่สี่นที่สี่ใช่ชา้นที่สี่ น, นี่ก็คือเอมันจะต้องเป็นอุเบกขาชนิดที่ไม่มีสุขเจีอปนเพราะฉะนั้นในความคิดจะไม่มีในนั้นนะปีติสุขไม่มีในนั้นอ่า อ, อุเบกขาสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาก็จะไม่มีในนั้นั น, นก็จะเหลือแต่อุเบกคารุนๆแล้วลมหายใจก็จะแผ่วเ บ, า, เบามากจนเกือบไม่มีอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าถ้าตรัสไว้เนี่ย จะไปเห็นได้ก็ต้องอยู่ในฌานนั้นต้องสงบจริงๆใช่ใช่ไม่มีอะไรเจือปนอยู่เลยอุเบกขาแท้แท้ใช่ทูกตั้งจุตูปปาตญาบุเพนิวาสานุสต <kidnapped zu> <Edge> in ิญาอ๋อบุเพนิวาสานุสติญาใชอ๋อต้องถึงขั้นบุเพเลยล่ะคะถึงจะเป็นอุเบกขาที่ไม่มีอะไรเจือปนอืมคือใช้ใช้ชื่อเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะระบุไว้ชัดเจนว่าของพระโลกเนี่ยไม่จํากัดแต่ของสาวกอื่นก็ก็คือฌานนี้ยญาณนี้เหมือนกัน ในความสามารถตรงในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ละเอียดรอบคอบไม่เท่ากันอ๋อค่ะงั้นตอนแรกดิฉันเข้าใจผิดมั้งคะดิฉันเข้าใจว่าท่านกําลังพูดถึงว่าถ้าเราเนี่ยอจเจริญสติเหมือนกับสติประธานสี่ในสมมุติว่าวิธีแบบอะไรคะอนามพ น, น, นสติอ่าได้ได้ไดจเจริญไปถึงฌานที่สี่ใช่ฌานนะฮะใ ช, ะช่ซึ่งเป็นจุตูปะปะาปาฌานที่สี่เขาเรียกว่าจตุทชาน ะจะตุทะฌานใชอ่อันนี้คือที่ท่านบอกว่ามีอุเบกขาไม่มีปิติแล้วสุขแล้วถูกต้องถูกต้องมีนะคะค่ะอะทีนี้มาถึงก่อนจะจบเนี่ยนะคะดังนั้นอยากจะกราบเรียนถามว่าในเมื่อพอพูดมาถึงว่าเราสามารถเข้าไปถึงได้และทําสมาธิได้ถึงเนี่ยจําเป็นจะต้องไปเห็นไหมค ะ, ะไม่ไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยเพราะว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธะ อ, อใช่ท่านพระอนุรุทธะนะก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกั น, น, นปรากฏว่าเข้าฌานสี่แล้วก็ไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งเอ๊ดูว่ามันเป็นยังไงผ่านมาเป็นยังไงอดีเตเป็นยังไงนาคดเป็นยังไงตายแล้วไปไหนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ยังไม่บรรลุสตนะิมามาคุยกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรว่าก็นั่นแหละคือความฟุ้งซ่านของท่านเป็นอุทธจักของท่านคือ ค, ความฟุง้งซานเพราะบางทีเราดูเนี่ยมันกลับ แต่ที่เกิดจะวางใช่ไหมมันก็เป็นฟังชันไปน ะ, <ค>ะไม่จําเป็นต้องทราบก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าบางบางทีเราการที่เราจะถึงความปล่อยวางได้ถึงการที่จะละกิเลสได้เนี่ยมันผ่านมาทางอื่นก็ได้นะพร<ค>ะเจ้าตรัสว่าทางเข้าสู่นิพพานเนี่ยมีมาได้โดยรอบเราอาจจ<ค>ะพิจารณาเรื่องกายก็ได้พิจารณาที่เราเห็นเห็นอยู่ความแก่ก็ได้ไ ด, ได้ได้หลายอย่างคะ่ะเอองั้นเท่ากับท่านกําลังจะบอกว่าหาก เราไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการระลึกชาติเราอาจจะเจอปัญหาแบบตะอนุรุตถ์บบใช่พระอนุรุตถ์ที่ทําให้ไปไหนไม่ได้สัทีวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ใช่าทีนี้แล้วแล้วมันก็เป็นทางอ้อมนิดนึงนะถ้าในความเห็นของอาตมาเพราะว่าสมมุติว่าเราบอกว่าฉันต้องไปทางนั้ น, นต้องได้อความสามารถนี้ก่อนปุเพนิวาสานุสติญาณก่อนแล้วถึงจะค่อยบรรลุอขั้นสูงมันทางอ้อมไม่ต้องไปทางนั้นก็ได้ก็ไปทาง ลมหายใจของเราก็ได้ก็ไปทางความแก่ของเราก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะค่ะขั<อ>้นคะ่ะแต่ทีนี้บางคนนะ น, นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายในการปฏิบัติที่ต้องการหลุดพ้นอืหรือว่าเป็นอริยบุคคลขั้นสีค่ค่ะแต่อยู่มันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่คะ่ะแต่หมายถึงว่าเขาก็อยากดูเท่านั้นแหละอ อ, อยากทราบอ่าถ้าเกิดมีความต้องการแบบนี้เนี่ยมันมีโทษอะไร <My> อั้นคือตัณหานั่นคือตัณหานั่นคือตัณห า, ค, หา ค, คือความอยากแ้่มันก็จะมีอาจจะมีความเสี่ยง mm hmm. คับโยมติ๋วเพราะ <Okay. S 2> ว่าถ้าสมมติเรารู้แล้วเราอาจจะเมาได้เร า, า จ, จะเผลอเพลินไปในสิ่งนั้นพอเผลอเพลินเมาจะมีความประมาทพอประมาทมัวเมาเผลอเพลินแล้วมันจะได้ช่องพอมาได้ช่องแล้วมันจะดึงเราลงตามได้บางทีเราไปด่าคนนั้นว่าคนนี้หรือพูดเพ้อเจ้อออกมาไปเรื่องใหม่แล้วทีนี้ อั น, นี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องนี้คือหมายถึงว่าถึงแม้ไม่มีเป้าหมายจะบรรลุวิมุตต์หลุดพ้นเป็นอริยบุคคลก็าตามทีไม่จะเป็นตังเงยก็ได้แต่อันตรายอันตรายอันตรายคือเหมือนกับมีทรัพย์สมบัตินะนะเหมือนกับมีเงินมีทองมากๆเนี่ยถ้าคุณมีเงินมีทองมากๆก็อันตรายนะกลัวคนโจรจะมาปล้นบ้างหรือว่าทําเมาอาจจะใช้ไม่ถูกบ้างก็เหมือนกันความสามารถพวกนี้ก็เป็นอย่างนั้น เ่าะ <c oughs> อะไรเพราะถ้าเรายังมีตัณหามีอวิชามีกิเลสอยู่มันพาไปทางใหม่ได้มันบาไปที่ไม่ถูกได้ท่านคะทีนี้ก่อนจะจบในวันนี้เนี่ยยิ่ง <c oughs> คิดว่าเราต้องคลี่คลายกันจนถึงสุดท้ายแหละนะคะใช่คร <c oughs> ว่าถ้าอย่างนั้นสําหรับคนที่อาจจะกําลังปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการที่กําลังเห็นพกําลังเห็นชาติอยู่นะคะฟังรายการนี้อยู่พอดีเลยทําอย่างไร ถึงจะไม่ให้การเห็นพบเห็นชาตินั้นเป็นอันตรายเป็นโทษแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะต้องมีสติต้องมีสตินะพอเราตั้งสติเอาไว้นะอยู่กับเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราใช้นะพอตั้งสตินั้นดใดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นเป็นนิมีดเห็นเป็นภาพเป็นความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแตพอสติเราไว้ตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยจิตใจเราจะไม่ไปเกลือกลั้วในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ทราบนั้นพอไม่ไปเกลือกลั้วแล้วเห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นแล้วก็จะวางได้ สตินี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากตรงนั้นนะคะยังคิดว่าออันเนี้ยเป็นความน่าตื่นเต้นบ้างมากจริงๆแล้วก็อยากเห็นในเขาเหมือนกันนะคะ <c oughs> ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นอะไรมาบ้างอแต่ในขณะที่ท่านคะม า, าขอเพิ่มตรงนี้ทีหนึ่งคุณจอมติว <คะ S 1> ถ้าท่านคุณเราถามว่าในอดีตเราเคยเป็นอะไรมาบ้างเนี้ย <คะ S 1> พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าถ้าเราได้เคยเห็นคนที่มือไม้ไม่สมประกอบนะ เจอความทุกข์อย่างมากในชาติปัจจุบันนี้ให้ลงความเห็นเลยว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในตลอดการยืดยาวนานในสังสารนี้ในทางคนข้ามถ้าเราเห็นคนที่ร่ำรวยมั่งมีมีความสุขทุกอย่างให้ลงความเห็นไปเลยว่าเราเคยก็มีความสุขอย่างนั้นมาแล้วในตลอดการยืดยาวนานของสังสารนี้สรุปตรงนี้คุณโยมตีบอกว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการนักบวงพอเพื่อจะกลายกำนัดพอเพื่อจะหลุดพ้น สาธุที่เป็นพุทธคตเลยนะคะใช่ใช่และเท่ากับว่าก็พุทธองค์เนี่ยได้ตรัสทั้งสองทางถูกไหมคะ<ช>มีทั้งดีสุดแล้วก็ไม่ yeah, ดีสุ ด, สดอืมค่ะเป็ น, มนะะหมดแล้วเราเพอนฝรังก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วเอาก็แล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันเข้าใจว่ า, อาพอควรแก่เวลาแล้วก็พอควรแก่ความรู้ในเรื่องนี้ที่เราได้รับจากท่านจันเพบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธ า, านี กราบ น, นมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเยี่มไปค่ะท่านผู้ฟังที่ครอบแค่ารายการสัสนีสนทนานะคะ เ, เรากอา็อาจจะไม่ใช่เป็นรายการที่สื่อสารกัน2ทางในเวลาที่ดําเนินรายการอยู่เพราะว่ามีการบันทึกเทปล่วงหน้าอย่างไรก็ตามก็จะพยายามป้อนคําถามที่คิดว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์กับท่านได้อย่างมากดิฉันไม่อยากพูดอย่างน้อยเลยนะคะเพราะเรากาลังคุยกันถึงเรื่องคําสอนของ พระาศาสดาไม่ใช่อาจารย์ธรรมดานะคะนั่นคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องถึงการระลึกชาติซึ่งดูเหมือนกับว่ามนะเป็นอะไรที่หวือหวามันกำลังจะพาไปดูหนังลึกลับน่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเรียนรู้ว่าการปฏิบัติรำการปฏิบัติสมาธิ ตามวิถีทางของพระพุทธองค์นั้นโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นไปได้นะคะแต่อยงไรก็ตามถ้าเป็นสิทธิของตถาคตศึกษาจริงๆเราควรรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงเห็นพิษเห็นโทษเห็นภัยของโลกที่ท่านพบก็คือความทุกข์แล้วทรงค้นพบแล้ววิธีที่จะออกจากความทุกข์การที่เราจะไปสู่ปลายทางนั้นยิ่งสั้นเท่าไหร่ได้ยิ่งดี ท่านอาารเพยบุญพูดนะคะว่าเกิดไปแวะเนี่ยอาจจะเป็นทางอ้อมก็เป็นไปได้ก็ลองพิจารณากันเอาอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวทนก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าสู่หนทางของการปฏิบัติแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหนทางนี้พุทธพจน์สุดท้ายที่ท่านไปียบุญฝากไว้ก็ขอให้ท่านได้ทราบไว้กันละกันนะคะไม่ว่าเราจะเห็นอะไรดีไม่ดีเราขอให้รู้ไว้เถอะว่าที่จะเบื่อหน่าย คลายกำนัด ก, กับสังสารวัตรนี้ติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสันีหนาพงศ์ลากันไปก่อนพูท่วสวัสดีค่ะ